อำนาจแห่งมโนกรรมในสมัยพุทธกาลมีเรื่องที่พระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อมรณะภาพลงพระรูปหนึ่งจะนำจีวรไปพระพุทธเจ้าทรงห้ามและรับสั่งเล่าว่าพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวร น, นั้นได้มาเกิดเป็นเลนเกาะ อ, อยู่ที่จีวรที่ท่านซักตากไว้เพราะจิตของท่าน เมื่อจะมรณะภาพนั้นผูกพันอยู่กับจีวรผืนนั้นที่ท่านเพิ่งได้มาและชอบมากกรรมทางใจหรือมโนกรรมมีโทษหนักเพียงนี้ทำมนุษย์ในชาติหนึ่งให้เป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งก็ได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเป็นสัตว์แล้วก็ยังระลึกถึงครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ได้จะเดือดร้อนใจเพียงไหน พระพุทธเจ้ารับสั่งห้ามไม่ให้นำจีวรไปเพราะเลนที่เป็นเจ้าของจีวรครั้งยังเป็นพระภิกษุนั้นหวงอยู่ถ้านำจีวรไปก็จะโกรธแค้นขุนเคืองจะทำให้ไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่ได้กระทำไว้แล้วเป็นอันมากอานาจกรรมแม้เพียงมนโนกรรมทางใจไม่ได้ปรากฏเป็นกายกรรมวจีกรรม หรือเป็นการเบียดเบียนทำร้ายผู้ใดก็ยังมีอำนาจใหญ่ยิ่งเพียงนี้พระพุทธเจ้ายังทรงเตือนให้ระวังทุกคนจึงควรระวังให้จงหนักกรรมส่งผลแน่นอนต่อผู้กระทาทุกวันนี้มีข่าวฆ่าปันกันอย่างทารุณโหดเหี้ยม ไม่ได้เว้นแต่ละวันพบแล้วเห็นแล้วก็ให้นึกถึงกรรมเคยฆ่าเขามาก็ถูกเขาตามมาฆ่าคนละภพคนละชาติข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ยังตามกันมาได้มาส่งผลได้เรื่องกรรมเป็นเช่นนี้พึงกลัวกรรมนักไม่พึงคิดว่าการเชื่อว่าการฆ่าฟันตามล้างตามผลานกัน เป็นเรื่องกรรมนั้นเป็นความเชื่อที่เหลวไหลไม่มีเหตุผลไม่พึงคิดเช่นนี้เพราะไม่มีคุณอย่างใดจะถูกหรือจะผิดถ้านึกเชื่อไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องการให้ผลของกรรมก็จะทำให้ไม่กลา้าทากรรมไม่ดีโดยตั้งใจก็จะพ้นจากผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนอุบัติเหตุในยุคนี้สมัยนี้ ที่รุนแรงก็มีมากมายบางเรื่องไม่น่าเป็นก็เป็นบางคนไม่น่าประสบอุบัติเหตุเช่นนั้นก็ต้องประสบดูไปแล้วคิดไปแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าอุบัติเหตุอย่างนั้นๆเกิดขึ้นเพื่อให้คนนั้นคนนี้ต้องบาดเจ็บหรือล้มตายไปเท่านั้นเมื่อคิดเช่นนี้เพราะไม่อาจคิดเป็นอื่นได้ ก็ย่อมจะทําให้คิดว่าต้องเป็นเรื่องที่กรรมจะส่งผลแก่ผู้นั้นในที่นั้นในเวลานั้นอุบัติเหตุจึงต้องเกิดขึ้นดังนี้การถูกฆ่าของเด็กไร้เดียงสาหาความผิดไม่ได้ซึ่งปรากฏขึ้นบ่อยๆในยุคนี้น่าจะทําให้ความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมหนักแน่นขึ้น ทำไมต้องเป็นเด็กคนนั้นที่ถูกฆ่าทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องขุนเคืองโกรธแค้นกันอยู่ดีๆมีความสุขก็ปุบปับถูกนำไปประหัดประหารในฐานะผู้ดูจงดูด้วยความรู้สึกกลัวกรรมไม่ควรดูด้วยความรู้สึกอาฆาตขุนเคืองเพราะจะไม่เป็นคุณแก่จิตใจตนเองมีแต่จะเป็นโทษ รู้แล้วลงแล้วนี่แหละอำนาจของกรรมยิ่งใหญ่นักพึงกลัวนักใจจักร้อนรุ่มทำไมเข้าใจเรื่องกรรมและผลกรรมแม้ในฐานะเป็นผู้ดูมิใช่ผู้พลอยได้รับความเดือดร้อนทนทุกทรมานด้วย ถ้าไม่สามารถทำใจอบรมใจให้เข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมได้แล้วเมื่อตนต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในเหตุการณ์อันร้ายแรงก็ย่อมยากที่จะช่วยใจตนเองให้พ้นจากความร้อนได้แม้เพียงพอสมควรรับรู้สิ่งใด พึงถือโอกาสอบรมจิตใจเรื่องกรรมเรื่องร้ายแรงที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเกิดขึ้นอยู่มากมายทุกวันทุกคืนแม้จะอยู่ในบ้านเรือนตนสมัยนี้ก็สามารถรับรู้ได้เห็นได้ได้ยินได้พึงถือโอกาสอบรมใจตนเองให้เชื่อในเรื่องของกรรมกรรมน่ากลัวเพียงไรคิดให้ดี เมื่อกา ม, มาถึงหนีได้หรือไม่คนดีในชีวิตนี้มิใช่ว่าจะไม่เคยทํากรรมไม่ดีมาก่อนในอดีตชาติดังนั้นจึงปรากฏบ่อยๆว่าคนดีแสนดีกลับต้องได้ความทุกข์หนักหนาด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างด้วยความไม่สมหวังในเรื่องใหญ่โตสาคัญแก่จิตใจบ้างเป็นเหตุให้ต้องเศร้าหมองทรมานอย่างยิ่ง ผู้มีปัญญาพึงรับผลของกรรมให้ถูกต้องเราได้รู้ได้เห็นอย่างพิสวงสงสัยอย่าได้คิดผิดว่าคนทำดีไม่ได้ดีแต่จงวางใจให้ถูกให้เป็นประโยชน์แก่ตนวางใจลงในกรรมที่สลับซับซ้อนยิ่งนักยากที่จะเข้าใจแต่ก็ไม่ยากที่จะเชื่อไว้ก่อน อะไรที่เชื่อไว้ก่อนแล้วไม่มีโทษมีแต่คุณผู้มีปัญญาแม้พอสมควรย่อมไม่ดื้อปฏิเสธการรับผลของกรรมนั้นสำคัญมากสำคัญทั้งการรับผลของกรรมชั่วและการรับผลของกรรมดีไม่ใช่สำคัญแค่เพียงการรับผลของกรรมชั่วเท่านั้นการรับผลของกรรมดีก็สำคัญการรับผลของกรรมดีนั้น ถ้ารับไม่ถูกก็มีโทษร้ายแรงแก่จิตใจน่าจะรุนแรงกว่าการรับผลของกรรชั่วอย่างไม่ถูกวิธีเสียอีกด้วยผู้ทํากรรมดีไว้เป็นบารมีส่งให้ชาตินี้สมบูรณ์พร้อมแม้รับผลแห่งกรรมดีหรือผลของบารมีไม่ถูกผลเสียที่จะเกิดตามมาคือความหลงตนอันความหลงตนนั้น จะพาความหลงอีกมากมายให้ตามมาเป็นโทษมหันต์หนักผลของกรรมดีและกรรมชั่วมีคุณและโทษในตัวผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่วมีทั้งคุณและมีทั้งโทษอยู่ในตัวคุณหรือโทษจะปรากฏตามการวางใจรับผลนั้น ผลของกรรมดีที่เกิดแต่ผู้ใดก็ตามแม้ผู้นั้นวางใจรับไม่ถูกไม่ประกอบด้วยปัญญาผลดีก็จะไม่สมบูรณ์ทั้งผลร้ายก็จะต้องตามมา